ก่อนที่เด็กจะรู้ตัวว่ามีสิทธิคิดหรือไม่คิดอะไรเราต้องสร้างจิตที่พร้อมคิดดีขึ้นมาให้ได้โดยต้องปลูกฝังกันแต่เด็กอาศัยศรัทธานำแล้วต่อยอดด้วยปัญญาตามศรัทธานั่นแหละต้นทางของจิตเหนือสํานึกปัญญานั่นแหละจิตเหนือสํานึกที่ฉายแสงแล้วจิตที่สว่างจริงจะเลือกทางสว่างเสมอ เด็กคนใดมีจิตสว่างเป็นปกติชีวิตก็เหมือนมีเทวดานางฟ้าคอยโดนใจคอยบอกทางเช่นถ้าจะเลือกเรียนให้สมตัวก็มีสมาธิแจ่มใสพอจะทราบอย่างกระจ่างว่าตัวเองโฟกัสกับสิ่งใดแล้วนึกชอบถึงขั้นเห็นภาพทีเดียวว่าตัวเองเป็นใครทำอะไรได้ในระยะยาวจึงจะมีชีวิตที่เป็นคุณไม่เป็นโทษถ้ามาอยู่ตรงทางสองแพ่ง ระวังให้ผิดศีลกับรักษาศีลก็ไม่ต้องช่างใจเลือกกันนานจิต ท, ที่สว่างจะคัดทางมืดออกจากการรับรู้ไม่เข้ามาเป็นตัวเลือกให้ตัดสินใจแต่แรกด้วยซ้าเริ่มง่ายๆคุณต้องมีห้องพระให้ลูกซึ่งไม่จำเป็นต้องแบ่งกั้นไว้โดยเฉพาะความเป็นห้องพระนั้นที่แท้แล้วประกอบด้วยบุคคลมากกว่าสถานที่ ถ้าทั้งหมดที่คุณมีคือห้องเล็กๆห้องเดียวไม่มีผนังกั้นอยู่เลยก็ทำห้องนั้นเป็นห้องพระด้วยเสียงสวดมนต์ตลอดจนการคุยกันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจเด็กได้แก่พระพุทธรูปที่เห็นพ่อแม่กราบไหว้และตั้งไว้ที่สูงถ้าคุณสวดมนต์และกราบไหว้พระพุทธรูปให้ลูกเห็นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความเขาจะเกิดกุศลจิต สะสมความสุขขึ้นทีละน้อยและเมื่อถึงเวลาพร้อมพอเขาจะพอใจคลานมานั่งพนมมือกับคุณเองไม่ควรดึงเขาเข้าห้องพระก่อนหน้าสมัครใจเองเพราะเด็กยังดิบยังสนไม่มีความสุขพอจะนิ่งไม่ใช่ว่าเขาบุญน้อยหรือไม่มีบุญพอสิ่งที่ต้องทำไว้ในใจเหนือสิ่งอื่นใดคือห้องพระต้องเป็นห้องที่มีบรรยากาศความสุข มีความสว่างอย่าเผยทะเลาะ ก, กันให้ลูกเห็นในห้องพระและคุณต้องฝึกเปล่งเสียงสวดแบบเต็มปากเต็มคำเพื่อให้ทั้งห้องประจุอยู่ด้วยเสียงแห่งความสุขวิธีง่ายที่สุดที่จะเปล่งเสียงอย่างเป็นสุขคือตั้งใจถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาแล้วจิตจะปรุงแต่งกายให้สบายเป็นมหากรุศลตามเองหลังสวดเสร็จ คุณจะรู้สึกถึงบรรยากาศความสุขความสว่างที่ตกค้างอยู่อย่าเพิ่งออกจากห้องพระให้ใช้เวลาช่วงนั้นพูดคุยกับลูกถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวันหรือบอกเขาว่าเล่าให้คุณพระคุณเจ้าฟังสิวันนี้เล่นอะไรมาบ้างถามอย่างนั้นเด็กจะนึกได้และเต็มใจเล่าการเล่าเรื่องของตัวเองต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้เด็กโตขึ้น แบบคนไม่ลืมการกระทําของตนแล้วรู้สึกลึ ก, ลกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีสิ่งที่ใหญ่กว่าชีวิตเขารู้เห็นการกระทําของเขาอยู่คอยเตือนใจเขาอยู่ไม่ว่าจะล้มลุกคลุกคลานอย่างไรในที่สุดใจจะกลับไปตั้งอยู่ในจุดนั้นตลอดชีวิตถ้าบรรยากาศการเล่ามีเสียงหัวเราะมีความเพลิดเพลินมีการชีน้นาสั้นจากคุณประกอบไปด้วย ก็จะกลายเป็นการสร้างความเคยชินให้ลูกอยากมาหาความสุขจากห้องพระทุกวันความสุขชนิดนั้นแหละจุดจนวนความเป็นเด็กพุทธอยู่กับอะไรดีๆได้ดานานๆ น, นั่นแหละต้นเหตุของการเป็นคนมีสมาธิยาวอารมณ์เย็นและรู้ผิดรู้ชอบได้เองโดยคุณแทบไม่ต้องเหนื่อยสอนให้ยากเลย